หนึ่งจุดแปดคุณงามความดีต้องพัฒนาวงเล็บเปิดยี่สิบเอ็ดตุลาคมสองพห้ารอยห้าสิบในวงเล็บสองจุดจุดนาทีห้าสิบหกวงเล็บปิดอย่าอยู่นิ่งต้องให้แต่ละวันแต่ละปีมันดีขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องดีตลอดเวลาหรอกแต่ให้แนวโน้มมันดีขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นก็พอแล้วยังไม่มีสติก็หัดมีสติได้ใจฟุ้งซ่านตลอดก็มีใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้สักว่ารู้สักว่าเห็นได้ เห็นไตรักมากขึ้นอะไรอย่างนี้เพิ่มพูนไปวัละนิดหน่อยก็ยังดีถ้าหยุดนิ่งไม่ดีถ้าไม่หยุดนิ่งใช้ได้ถึงจะสารเลวมานะก็ไม่เป็นไรเลวมาแล้วก็เห็นว่ากำลังเลวมากๆอยู่นี่อย่างนี้ดีแต่ถ้าใจบุญใจกุศลดีแต่ถ้าเบิกบานว่างๆแล้วก็อยู่ตรงว่างๆมาหลายวันนี่นะหลวงพ่อไม่ชมด้วยแล้วนี่ติดอยู่ในที่เดิมนาน พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านไม่สรรเสริญการหยุดนิ่งของคุณงามความดีอยู่กับที่ใช้ไม่ได้นะฉะนั้นแต่ละปีแต่ละปีแต่ละไตรมาสเนี่ยสำรวจตัวเองมันมีอะไรดีขึ้นบ้างถ้าไม่มีอะไรดีขึ้นก็มีสองอันอันหนึ่งทำผิดอันที่สองไม่ทำขี้เกียจถ้าทำถูกแล้วก็ไม่ขี้เกียจอย่างไรก็ต้องดีแต่ไม่ดูเป็นวันๆดูแนวโน้มของมัน